พงเทสิจกงนิกน้อยนึงนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมผูสะนาโม ตถาภะวะตุตระหะตุสัมมาสัมพุทธะชาลาธรรมโมหิสลังนันติตพยาธิธรมโมหิพยาทิมมมาางนันติตมลณธรมโมหิมลาังนันติตู ณบัดนี้จะได้อธิบายในปัจเวคคาถาให้เราทุกคนจงพิจารณาคาถาข้อนี้เราเกิดมาแล้วไม่พ้นไปใด จากการเท่าการแค่การเจ็บการปวดอันนี้พันธะ ว, ว่าก <c oughs> องทุกเกิดให้เกใจของเราทุกๆุกคนใหญ่นั่นไม่มีการต้องการความตายหนึ่งความเท่าเกหนึง่งการเจ็บปวดหนึ่ง การสลาเท่าเกคำค่าหนึ่งแต่ว่าสังขารร่างกายอันนี้มันต้องเท่าเกกันไปเรากินเข้าทุกวันบํารุงมันมันคับสำลุดไปทุกวันทุกวันเรานอนพักผ่อน ให้เกร่างกายได้เป็นสุขมันก็สำรุดไปอยู่ทุกวันทุกวันเราเดินโยกย้ายไปมาบริหารให้หลางกายแอ็นี่สมบูรณ์ธาตุทั้งสีให้ส ม, ม่ำเสมอกันมันก็สำรุดไปอยู่ตลอดไป อันนี้พันเรียกว่ากองทุกข์ทุกขังอันนี้จังอนัตตาเป็นทุกข์อยู่เสมอในถาดขันร่างกายอันนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายได้สำเร็จมรรคผลท่านเหล่านั้นเห็นความทุกข์เรื่องอย่างนี้ จึงได้ประกอบความดีหนึ่งบุญกุศลสองธรรมะความสุขสามปัญญาความสลาดสี่องค์ญาณรู้จักเหตุผลความอุปทานยึดถือใดๆอันนี้เรียกว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่ขยันตั้งใจอย่างนี้หลายพบชาติจนนับหลงคันานาไม่ได้และตัวของท่านจึงได้สำริหมรรคผลนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึก ในตัวของเราทุกคนอยู่เวลาบันเดี๋ยวนี้เมื่อยังหนุม่มมันหนุ่มแ น, น่นร่างกายเกลี้ยกลกาสะอาดดีทุกประการเท่าเก๋แล้วคุขะมมนมีเป็นตาด็กความพอใจในการที่จะอยู่ในโลก นี่ให้เราทุกคนจุเห็นแล้วก็นอนิจจาเป็นหลงว่าไม่เที่ยงทุกขาปิ่นทุกให้เราทุกคนจงคิดอ่านเกิดมาแล้วตั้งแต่เวลาบัดเดี๋ยวนี้เกิดมามันต้องมีการขยับไปสู่ความสลาคำค่าตลอดไป แต่ทำไมเรายังไม่พิจารณาหนึ่งความรุ่มหลงสองความเพิดเพลินสามไม่ได้คิดต่อ่านเชิงร่างกายคิดไปตนนอกร่างกายนอกร่างกายนั่นอะไรคือความอยากได้ <c oughs> ความพอใจ ในสิ่งที่ตาเห็นแล้วหนึ่งรูปหูได้ยินหนึ่งเสียงทั้งหลายจมูกชอบกลิ่นให้ผินอะไรทั้งอย่างร่างกายได้สัมผัสอะไรกันทุกอย่าง <c oughs> สิ่งเหล่านี้ไปว่าจิตเราคิดในเครื่องอย่างนี้ตลอดกันไป เลยไม่ได้พิจารณาภายในตัวเจ้าของตัวของเราคือใจรูปคืออะไรคือร่างกายอันนี้ความเป็นอยู่ของใจรูปร่างกายอันนี้แต่มันสำรุดตลอดไปทุกระยะไม่มีการอยู่เป็นปกติใดเลย อันนี้ละให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าเมื่อความตายมาถึงแล้วละไม่ได้ปดไม่ได้ห้ามไม่ได้หาอะไรเป็นเครื่องป้องกันไม่ได้มันทึ่งต้องตายทันทีนี่ละให้เราทุกคนจงคิดนึกในชิงเรื่อนี้ คันคิดอย่างนี้เสมอเป็นผลประโยชน์ให้จิตพ้นเร็กวกาธรรมะพ้นเรียกว่าปัญญาคิดอ่านพิจารณาในร่างกายของเรากายยกตานสติระลึกถึงร่างกายของตนอยู่ตลอดไปเป็นนิดพิจารณาว่าร่างกายอันนี้ ขาดทั้งสี่มันไม่มีการที่จะสม่มเสมอกันอยู่ตลอดเป็นนิดมาอย่างใดก็ยังหนึ่งต้องขาดตกบกพร่องแล้วหน้าที่จิตก็รักษาไม่ไหวกนหนีไปทันทีอันนี้ให้เราทุกคนจงพิจารณาอภินาะปัจเวกขคาถา ชาลาธรรมโมหิเป็นธรรมะเป็นประจำตัวเจ้าของเป็นบุญกุศลเกิดให้กัจิตของตนตลอดไปเป็นปัญญาอันสลาดรู้จักภาวะว่าร่างกายของเราเป็นของไม่แน่นอนและตนของตนเป็นนิสัยปัจจัยอีกเชียด้วยต่อไปจะได้พบปะบัณดิต จะได้ตั้งจิตทัดทีเข้าไปเป็นระยะระยะระยะเป็นระดับตลอดไปจึงจะได้สำเร็จผลเดี๋ยวนี้ตัวของเรามันเพิดเพลิ น, นรุ่มหลงโมเมาไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรไม่จะเรื่องการกินเรื่องการเล่นเรื่องการหา เรื่องอะไรทุกอย่างนละททำให้ของมึนเมาอยู่ตลอดไปขันมึนเมาแล้วมันต้องมืดมืดแล้วไม่รู้สึกภาวะเท่าเกวเจ้าเก่เกสราแล้วก็ไม่ยอมจะของเท่าเกออันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกสุชาติทั้งหลายนะทำบุญนุทานอะไรทุกอย่าง ฮุบศาสตร์ฮุบหมอนกันมาอะไรจังมาบตตูเจ้าของอายุแปดสิกบกระโนี้จากบานยังห่วงอะไรไม่เท่าอยู่ตลอดไปเรียกว่าเอาหมอนมาเล็กก็มาพรมพากนมานอนจำชินไหวพระออโดยมีมิแต่นอนก็ไม่เท่าห่วงอะไรตลอดเป็นนิดอันนี้เพันเลวกว่า ฮุมาอยู่ผู้ใดสมบุรก็เอาเอาหมอนมาเอาผ้าห่มมาเอาเอามาเครื่องนั่งนุ่งห่มมาฮุกมาตลอดไปพิคุ๊บสองสามตนนึงนฮุกชิงของอะไรมาทุกรายการบรตโตเจ้าของจะมานอนอะไรคืนนึ่งกับอะไรอยู่กลางวันก็ไม่จอดค่ำนานค่ำเอาอยู่อย่างนี้ อันนี้เราไม่ได้พิจารณาคิดจะไปเบื้องหน้ายุตตลอดไปตามันไปอย่างไรก็ต้องคิดไปนั่นอย่างนั้นหูมันไปอย่างไรก็ต้องคิดไปอย่างนั้นตลอดไปจึงนี้ลืมตัวเจ้าของอายุเจ็ดชิดแปดชิดเขามาในตัวเจ้าของแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเจ้าของอยังจะตาย ยังอย่าอายุอย่าให้ยืนอยู่ตลอดไปแต่มันก็ไม่ยืนมันองเป็นไปตามธรรมดาของสังขารตลอดไปนี่ให้เราใช้คิดอ่านพิจารณาในตัวเจ้าของทุกๆคนในชีวิตวันเดียวนี้จึงจะเป็นผลประโยชน์ให้กิจจิตขันทุกคนคิดอ่านอยกอยกายขาตามสติ ระลึกพิจารณาอยู่ในกายของตนในใจของตนอันนั้นเป็นรอบุคคลผู้เพิ่มบุญกุศลเพิ่มธรรมะให้กิจิตเพิ่มปัญญาให้ความสลาะตนของตนก็แปลว่าผู้อยู่ในธรรมผู้ตังอยู่ในธรรมผู้เจริญอยู่ในธรรมผู้ยินดีอยู่ในธรรม ผู้ดำเนินอยู่ในธรรมตลอดไปในชีวิตของตนจะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปภายข้างหน้าพระอริยเจ้าที่ได้ธทรมาแล้วสิ่งเหล่านี้จึงได้มีบัตรประกาศถ า, าสลาธรรมมิอันนี้ไว้ให้เราพี่น้องทุกคนจงคิดอ่านในชีวิตของตนเถิด เราเกิดมาพบพระศาสนาของพุทธแล้วในเวลาบัดนี้อาุวัตโกธนวัตโกชริวัตโกยศวาตโกปารวัตโกวันวัตโกสุกวาตโกโหตุสัพปธาอายุวัตกาธนวัตกาชริวัตกายสวาตกาปารวัตกาวันวัตกาสุกวาตกาโหตุสัพปธา อายุวันโนสุขังภะลัง